นิทานไทยแจ็คผู้ค่ายักษ์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายนามว่าแจ็คอาศัยอยู่ในบ้านหลังน้อยใกล้หมู่บ้านกับแม่ของเขาพวกเขาไม่มีรายได้ขายทุกอย่างเพื่อประทังชีวิตพวกเขาเลื้อเพียงวัวที่ให้น้ำนมแก่พวกเขา พวกเขายากจนหลายครั้งที่แจ็คและแม่ของเขาต้องนอนหิวโหยแจ็คบีบนมวัวทุกเช้าแต่วัวต้องได้รับอาหารเพื่อให้น้ํานมแต่พวกเขาไม่มีเงินแม่แจ็คคิดอะไรบางอย่างได้ขึ้นมาเธอบอกให้แจ็คไปขายวัวตัวเดียวที่พวกเขามีได้ครับแม่ แจ็คเดินทางไปตลาดเพื่อขายวัรวระหว่างทางเขาพบกับชายชราหน้าตาประหลาดอารุณสวัสดิ์แจ็คอารุณสวัสดิ์ฮะพ่อหนุ่มน้อยเจ้าจะพาวัวตัวนี้ไปไหนเ อ, อ๋อข้าจะเอาวัวไปขายที่ตลาดเจ้าหนูเจ้าไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นเอาวัวไม่ค่ะข้าจะซื้อมันเอง ถ้าจะให้ค่าตอบแทนสำหรับบัวเท่าไรฮะข้ามีข้อเสนอพิเศษสำหรับหนุ่มน้อยเช่นเจ้ามันคืออะไรเหรอมเมล็ดถั่ววิเศษห้ามเมล็ดแจ็คมึนงง<ะ>ถั่วพวกนี้มันไม่เหมือนถั่วทั่วไปถั่วพวกนี้ดูประหลาดยิ่งดักมันใหญ่ ใหญ่กว่าเมล็ดถั่วทั่วไปข้าไม่อยากได้ถั่วพวกนี้ข้าจะเอามันไปทำอะไรได้พ่อหนุ่มน้อยนี่ไม่ใช่ถั่วธรรมดามันคือถั่ววิเศษถั่ววิเศษเหรอจริงเหรอครับมันเป็นยังไงมันวิเศษมากจนขนาดที่เธอปลูกมันข้ามคืนพอรุ่งเช้ามันจะโตสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า แจ็คเชื่อที่เขาบอกเขาแลกวัวกับถั่วเพราะมันคือถั่ววิเศษทั้งหมดนี้เป็นของเจ้าแลกกับวัวแจ็คตื่นเต้นที่จะเอาถั่วไปให้แม่ของเขาดูเมื่อถึงบ้านแจ็คยิ้มและเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าแม่ฮะดูถั่วพวกนี้สิมันคือถั่ววิเศษอะไรนะลูกเอาวัวไปแลกกับถั่วหน้าตาประหลาดนี่แบบนี้น่ะเหรอ เออแม่ฮะคือเอาวัวไปขายแลกถั่วลูกบ้าไปแล้วเรื่องไงแจ็คแม่กโกรธมากและคว่างถั่วออกจากหน้าต่างเจ้าเด็กซื้อบื้อแจ็คเสียใจเขาวิ่งขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาเล็กๆของเขาเขานั่งคิดตามลำพังค่าซื้อบื้อขนาดนี้ได้ยังไง ขายวัวเลด ก, กับถั่วเขาร้องไห้อยู่บนที่นอนและเพลอหลับไปโดยไม่ได้ทานมือค่ำเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงในยามเช้าแจ็คตื่นขึ้นมาและมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความประหลาดใจเขาเห็นต้นถั่วสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าพระเจ้าช่วย มันคือถั่ววิเศษ จ, จริงๆด้วยเขาตัดสินใจปีนขึ้นต้นถัว่วต้นถัว่วสูงยาวขึ้นไปบนท้องฟ้าแจ็คผู้น่าสงสารปีนขึ้นไปจนกว่าจะเห็นก้อนเมฆลอยอยู่บนฟ้าเออสุดยอดไปเลยทุกอย่างดูเล็กมากถ้ามองจากตรงนี้เขาปีนขึ้นไปอีกหน่อย <c oughs> จนกระทั่งถึงประตูบานใหญ่สีทองเปล่งประกาย ดังแสงพระอาทิตย์ <Wow. S 1> ขณะที่เขาเข้าไปอีกหน่อยประตูก็เปิดออกมันคืออาณาจักรบนท้องฟ้ามันคือสิ่งอัศจรรย์แจ็คตื่นกลัวจากความสวยงามของอาณาจักรขณะที่เขาก้าวเข้าอาณาจักรเขาเห็นยักษ์ผู้น่ากลัวนอนอยู่บนเก้าอี้แจ็คเกิดหิวหลังจากที่เนดเหนื่อยปีนต้นทั่ว เขาเข้าไปในห้องครัวอย่างช้าๆเขาเห็นผลไม้สดและนมในห้องครัวระหว่างที่เขากำลังจะคว้ามันเขาได้ยินเสียงดังลั่นเฮอเสียงอะไรนะเขาตกใจกลัวแล้ววิ่งเข้าไปในรูเล็กฟูดฟดฟูดฟดข้าได้กลิ่นมนุษย์แล้วไม่ว่าจะเป็น หรือตายข้าจะหามันให้เจอแล้วก็กินมันซะไม่มีอะไรดีไปกว่ามนุษย์ย่างกับปิง้งน้ำลายไหลเลยยักษ์หามนุษย์ไม่เจอเขาจึงกินอาหาร <c oughs> ที่วางอยู่บนโต๊ะ <c oughs> ถุงเรียนทองออกมานับแล้วก็วางไว้ริมโตจากนั้นเขาก็เข้านอนแจ๊ดย่องออกจากที่หลบซ่อนเงียบๆ เ, เขาตัดสินใจเอาถุงเรียนทองไปด้วยเพื่อให้แม่ของเขา จะได้หายกโกรธอ่อออโอหนักจังเลยเขาจะเอามันหนีออกไปจากที่นี่เขาถลายลงต้นถั่วพร้อมกับถุงเหรียญทองเขากลับบ้านเอาเหรียญทองไปให้แม่ของเขาถุงทองลูกเอามาจากไหนกันเนี่ย จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ของเขาฟังแม่ของเขาดีใจที่พวกเขาได้เรียนท่องมาและลูกชายของเธอกลับมาอย่างปลอดภัยหลายวันต่อมาแจ็คปีนขึ้นต้นถั่วอีกครั้งเขาปีนไปถึงบ้านของเจ้ายักษ์เหมือนครั้งก่อนแจ็คเห็นยักษ์ดอนอยู่แต่ครั้งนี้เขากล่นด้วยเสียงกร่นดังสนั่น จนเขาต้องหลบหลีกเพื่อไม่ให้แสบแก้วหูยักษ์ตื่นขึ้นมาแจ๊เ ก, กรีบวิ่งไปหลบอยู่ใต้เตียงฟูดฟีฟูตฟีถ้าได้กลิ่นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหรือตายข้าจะหามันให้เจอแล้วกินมันไม่มีอะไรดีไปกว่ามนุษย์ย่าง ก, กับปิ้ง น้ำลายหลายเลยในนี้ไม่เห็นมีใครเลยยักษ์ไม่พบใครจากนั้นก็เอาแม่ไก่ออกมาแล้วตะโกนว่าวางไข่ทองคําเดี๋ยวนี้แม่ไก่วางไข่ทองคําเจ้ายักษ์ นำไข่ไปใส่ในตะ ก, กรา้าแล้วเข้านอนขณะที่เขาเข้าไปข้างในจ็กรู้ว่าทางโล่งสะดวกแล้วเขาคว้าตัวแม่ไก่แล้วรีบปีลงต้นถั่วโดยเร็วเมื่อกลับถึงบ้านแจ็คเล่าให้แม่ของเขาฟังดูนี้ฮะแม่ครั้งนี้ข้าได้แม่ไก่มามันวางไข่ทองคําดูนี่นะครับอวางไข่ทองคําเดี๋ยวนี้ แม่ของแจ็คภูมิใจในตัวเขามากแจ็คปีนขึ้นต้นถั่วเป็นครั้งที่สามและเข้าไปในอาณาจักรของเจ้ายักษ์ครั้งนี้ <c oughs> เขาเห็นยักษ์บรรเลงเพลงด้วยผินตัวงามเขาแอบอยู่ใต้โต๊ะฟูดฟีดฟูดฟีดข้าได้กลิ่นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหรือตายข้าจะหามันให้เจอ แล้วกินมันไม่มีอะไรดีไปกว่ามนุษย์ย่างกับปิ้งอืมน้ำลายไหลเลยวันนี้ข้าจะหามันให้เจอไม่ว่าจะยังไงเขาค้นหาไปทั่วทุกที่แต่ก็ไม่เจอเขาเหนื่อยจนหลับไประหว่างนั้นแจ็คคว้าพินและกำลังจะกลับลงไปทันใดนั้นพินวิเศษก็ส่งเสียง เจ้านายช่วยด้วยเจ้านายช่วยด้วยเจ้าหนูนี่มาขโมยข้าไปเขาจะเอาข้าไปจากท่านท่านใดนั่นเองยักษ์ก็ตื่นขึ้นมาเขาเห็นพินอยู่ในมือของแจ็คด้วยความโกรธเขาจึงวิ่งไล่แจ็คเจ้านั่นเองที่ขโมยแม่ไก่กับถุงท้องของข้าข้าจะลงโทษเจ้าแต่ เร็วเกินไปสำหรับเขา เ, ออเขาถลไยลงต้นถั่วเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ยักษ์รู้ตัวว่าโดนหลอกที่ตามลงไปแจักถลไยลงแล้วปีลงต้นถั่วอย่างรวดเร็วแล้วคว้าขวานจากที่บ้านของเขา เ, ออเขาเริ่มฟันต้นถัว่วต้นถั่วหักลงแล้วทาให้ยักษ์ตกลงมาคอหัก จากนั้นต้นตั๋วก็ล้มลงมาทับเขาเมื่อแม่ของแจ็คเห็นเขา้า <c oughs> เธอตื่นกลัวเธอรู้ว่ามันเป็นความผิดของเธอที่ไม่ได้ห้ามแจ็คให้เลิกขโมยของแจ็คโกรบมากจนเกือบเสียชีวิตเพราะเหตุการณ์นี้เธอเข้าไปหาแจ็คด้วยความรู้สึกผิดและอธิบายให้เขาฟังแจ็คแม่ขอโทษที่แมปล่อยให้ลูกขโมยของแม่ควรจะตักเตือนลูก ถ้าเจ้ายักษ์จับลูกได้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เจ้าของไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าแม่แม่ฮะวันนี่ข้าได้รับบทเรียนแล้วถ้าจะทำงานหนักเพื่อหาเงินแจ็กและแม่ของเขามีฐานะร่ำรวยและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดกาล